أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ل, وت نا ل نا ن كوننا من الخاسرين อัลลอฮฺ ا เน่าตินาไม่ละดุ ن ก์ค์ร่ำม์ห์วเฮียลานาไม่นอมรีาร่์ะนะครับให้ท่านจบศูรต์ลมุจัมม์ล์อินชัลละนะครับภายในัยสองหรือสามสัปดาห์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้เริ่มไปแล้วนะครับกัดดีมะหรือตับซีร์ไปประมาณห้า เรื่องอายัดนะครับวันนีเเ 6, เนน้เริ่มตั้งแต่ายัดที่6เราทวนไปสักหน่อยายัดเริ่มตั้งแต่ายัดที่6เป็นต้นไปไม่เคยได้ยินอะไรปลดดังๆตะโกนไม่ไหวนะปรับเรียน เอียนไม่้นคยเนีไปอ้างอุัติ้นั้ัิ้นห้อัติ้้นุบินั้นอินั้นัติ้นั้นอุบัติอุอุบุบิ้นั้ิอินนนิอตัิอััุออุนอุ <تصفيق> إن لك في النهار سبحا ط و ي ل ا وذكر اسم رب. ب ัตแล ب ทบทั่ ي ไ ه ِ ت َ ب ั่นท ل ที ر ะพระเจ้าแห่งตะ ل ันอ ل กและตะวันตَไมِมีพَ อَทَต่ ا ส ر ่งทีَคนَื่นพُ و ได و อดทนต่อْิ่งْีَคَอืَ ا พูดได้อ و ทนต่อสิ่งที่คนอื่นพูดได้อด วَาَด والمكذبين أول النعمة ومهلهم قليلة <ت س ج د> الحمد لله ครับตน้นก่อองครับสุรัตุมุจจำมิลแต่ละนครับมื่อสดาห์ที่แว้วเป็นสุราที่ถูกประทานลงมาในช่วงแรกแรกของการแต่งตั้งอันนบีสุลลัลลอฮวะเปยหิวะสัลลัมนะครับมีฮิกมัตสองอย่างอย่างน้อยนะครับหนึ่งก็คือเป็นการให้กำลังใจ กับท่านนาบีนะเป็นอายัดเป็นคำสั่งเกียมุลไลนี่เป็นคาสั่งที่จะให้กำลังใจกับท่านนาบีลลัลลอฮอะลัยฮิสลลัมเพราะว่าเพราะว่านะครับการรับวายูนั้นเป็นสิ่งใหม่สำหรับท่านและท่านก็เกิดอาการเกรง ก, กลัวไม่เคยเจอกับ เหตุการณ์ที่ท่านไปเจอกับจิบรีนอลอฮสลิสสลามรวมถึงการที่บรรดาพวกมุชริกินได้กล่าวหาได้ใส่ร้ายท่านต่างๆนานากับสิ่งที่ท่านได้รับมามุ h ั m m a d เปลี่ยนไปนะครับทำให้ท่านเกิดความกังวลใจอลัทธสุภาพตาลาก็เลยออกคำสั่งกิยามุลไลนะครับเพื่อให้ท่านนบีสุลต ล, ล, ลนั้นได้มีหัวใจที่ เข้มแข็งนะครับแล้วล an an ่าสุดาระองค์เาก็บอกว่าการเกียมมลัยนั้นจะมีประโยชน์เน ah ื uh oh an ่องจากท่านนบีนั้นจำเป็นจะต้องแบกรับภาระอันยิ่งใหญ่ก็คืออัลกุรอานอุลกิริมในการเผยแพร่ไปแก่มนุษยชาติซึ่งภาระในการเอาอัลกุรอานไปเผยแพร่กับคนอื่นนั้นเป็นภาระที่หนักการเกียมมลัยจะช่วยให้หัวใจนั้นเข้มแข็งและสามารถที่จะแบกรับ อาระนี้ได้นะครับทีนี้เหตุใดที่ว่าการละหมาดในายามกลางคืนเนี่ยมันมีประโยชน์ถึงขนาดนี้อัละลอะละ์ก็บอกในอายะ ท, ที่หนะครับอินนานาชีอ hmm. ัตเลลีฮียาัดด้วะอวะอความุกีละการจริงๆแท้จริงแล้วนะอายะ ท, ที่หท่านบอกบอกอยังไงการอิบาดาตที่ปฏิบัติในยามดึกนาชอัตลลีเนี่ยอุลมามะบางท่านบอกว่าหมายถึงให้นอนก่อน ให้นอนก่อนสักนิดหนึ่งแล้วตื่นขึ้นมาปฏิบัติละหมาดในบาดัตในยามกลางคืนนี่คือนาชิอัตตะไลครับหรือบางคนก็บอกว่ากลางคืนทั้งหมดเนี่ยเขาก็เรียกว่านาชิอัชเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าการลุกขึ้นมาอันนั้นคือการเริ่มต้นละหมาดในตอนกลางคืนเนี่ยการเกียร์มุลไลเนี่ยนะพร้อมๆกับการอ่านอ่านอัลกุรอา น, อา น, อา น, อานด้วยการตัดทีลชัดถ้อย ชัดคำไม่รีบอ่านทีละอายาัดอ่านพร้อมกับการตะดับบิไปด้วยเนี่ยฮยะอาชัดดวกอันมันเป็นสิ่งที่อาชัดดวกอันเขาบอกว่าอะไรมีผลที่ทราบที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าสำหรับหัวใจจริงๆแล้วคำว่าวัตะเหมือนกับการเยียบ เหมือนกับว่าอัลกุรอานที่ลงเข้าไปในหัวใจของเราที่เราอ่านในละหมาดตะหัุดตอนกลางคืนเนี่ยมันเข้าไปแน่นมันตักได้แน่นกว่าในหัวใจของเราอัชดวอนะครับอัชดมาฟัเตนเบนอสซามีแลบัซรีแลลบลลิานาานาี่นนเป็นนจะมนตัที่ขเขาบอกหมายความว่าทั้งหูทั้งตาทั้งหวัวใจทั้งลิน้น ที่เรากำลังอ่านอัลกรุรอานหูที่กำลังรับฟังอัลกรุรอานหรือสายตาของเราที่เรากำลังมองไปยังที่สุญญดอะไรก็ดีเนี่ยมันสอดคล้องลึกซึ้งมันมันเข้าล็อกหมดเลยมันแน่นมันไขได้แน่นกว่าไม่เหมือนกับการอัลกรุรอานในช่วงอื่นๆว่าอความุกีแหละและเป็นถ้อยคำที่ชัดเจนกว่าเพราะหัวใจเนี่ยนึกแต่ อัลลอฮ์สุบฮะฮัลตะละเพียงพระองค์เดียวไม่ได้นึกถึงเรื่องอื่นเลยใช่ไหมครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องการอ่านอาัลกุรอานแม้กระทั่งการคิดการอ่านหนังสือเองเนี่ยลองอ่านดูกลางคืนมันจะมันจะดีกว่าเพราะฉะนั้นในเชิงอวัยวะอวัยวะทั้งหมดเนี่ยพร้อมที่จะรับอัลกุรอานในเชิงคําพูดหรือเสียงที่เราใช้อ่านอัลกุรอานคือมันดีหมด เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการที่จ ะ, ะฟื้นหัวใจฟื้นหัวใจอีกครั้งหนึ่งอัลลอฮรน่าสงสารหัวใจของเราตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยยุบบูบี้ไปหมดนะครับตั้งแต่เช้ามาจนถึงกระทั่งเราเข้านอนนี่ลองดูซิว่าหัวใจของเราเนี่ยทั้งศกกับปรก ทั้งเบี้ยวทั้งบุกทั้งบูบี้ขนาดไหนเราเจออะไรบ้างในแต่ละวันเพราะฉะนั้นตื่นขึ้นมากลางคืนเนี่ยเพื่อมาปรับหัวใจใหม่ไอ้ที่มันยุกยุกเนี่ยดันขึ้นมาไปขไปเคา ะ, ไ ป, ะไปปะไปพ่นเคาะปะ พ, พ่นสีนะหัวใจของเราใหม่สุดพานั่นแหละถ้ามีมีการละหมาดแต่หยุดเนี่ยพอตื่นขึ้นมาอีกวันหนึ่งที่มันบุกอยู่แล้วก็ไปบุกต่ออีกนี่แหละครับ เหตุผลที <tea> ่ว่าทําไมการเกียมเลส์มันถึงมีพลังขนาดนี้อินนัละแคฟินนาฮาริสับข้าวตัวอีลเพิ่มอีกที่บอกทําไมต้องเกียมเลส์ต้องกลางคืนต้องละหมาดตอนกลางคืนเพราะอะไรเพราะตอนกลางวันเนี่ยอินนัละแคฟินนาฮาแท้จริงแล้วเวลากลางวันสําหรับเจ้านั้นเป็นช่วงปฏิบัติภารกิจและเคลื่อนไหวกลางวันเนี่ยไม่มีเวลา ท่านนาบีกลางวันท่านทําอะไรเปิดแพร่ ด, ด, ดาวะหลอดเลยซับฮพนตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าจะรู้กันว่ตะกลลุบันเดี๋ยวไปทางนู้นเดี๋ยวไปดาวะคนนั้นเดี๋ยวเราไปดาวะคนนี้ไม่มีเวลาเฉพาะให้กับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นี่ขนาดอมามัลของท่านนาบีนะคืออมามัลของท่านนาบีในตอนกลางวันเนี่ยไม่ได้เหลวไหลเหมือนเราแต่ Allah ก็ยังบอกว่า เจ้าไม่มีเวลาให้กับพระองค์แบบร้อยเปอร์ซคือเวลาที่เฉพาะให้กับการอิบาดต่อ Allah เนี่ยกลางวันแทบจะไม่มีเพราะต้องคลุกคลีกับมรุกเพราะฉะนั้นต้องให้เวลากับ Allah ในตอนกลางคืนกับอัลค่าเล็กในตอนกลางคืนรู้สึกหนักมากพราะเราอ่านอายัดนี้คือภารกิจของท่านนาบีในตอนกลางวนันมันไม่มีอะไรที่ไร้สาระเลย ถ้าจะเอามาเทียบกับของเราเนี่ยไม่รู้ว่าสาระกับไม่สาระในอันไหนมันจะเยอะกว่ากันเนี่ยเราก็ไม่กล้าที่จะบอกเลยขนาดท่านนาบีตอนกลางวันของท่านท่านทำเรื่องที่มีประโยชน์ทำเรื่องที่เป็นการด่วะทำเรื่องที่เป็นที่เป็นเรื่องของอิสลามทั้งนั้นแต่ Allah a l ก็ยังบอกว่าไม่พอการที่เจ้าทำอย่างเนี้ยยังไม่พอต้องให้เวลากับ a l l ในตอนกลางคืนด้วย สุบฮานัลลอฮ์แล้วนักภาษาอะไรกับเราตอนกลางวันเราก็ไม่ได้ให้เวลากับอัลลอฮ์กับอิสลามเราก็ไม่ได้ให้เวลากับมันแล้วให้เวลากับดุนยาอย่างเดียวให้นิดเดียวกับอัลลอฮ์ก็คือตอนละหมาดโจฮออัสซนิดเดียวเอตอนกลางคืนเราก็ไม่ได้มีเวลาอีกสําหรับอัลลอฮ์สุบฮานาแตาละลองวิเคราะห์ดูว่าทําไมยิ่งในยุค โลกยุคปัจจุบันที่มีความท้าทายเยอะมากเลยคนเดียวนี้นอนดึกนะยิ่งถ้าเป็นคนในเมืองสุภานัลนแหละแบบพวกเราพวกเรานี่เป็นคนในเมืองแล้วจะอยู่ส่วนไหนของภูเก็ตก็เป็นคนในเมืองหมดแล้วไม่มีแ ล, แล้วตอานี้เป็นเมืองหมดแล้วสุภานัลนแหลอันนี้ต้องทบทวนตัวเองให้มากนะครับกลางวันให้เวลากับอย่างอื่นเพราะฉะนั้นกลางคืนให้เวลากับอัลลอฮ์บ้างสิ ชื่อหน้าะที ata, nya, ่เจ้าจ้ให้เวลากับอัลลอฮฺบาร์นะ ف إ غ เนี้ยเคียงการความหมายของมันเมื่อเจ้าว่างเว้นเสร็จงานตอนกลางวันแล้วเนี่ยก็ให้เวลากับอัลลอในตอนกลางคืนด้วย و إ ب فرغ إذا فرغت หมายถึงว่าหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในตอนกลางวันฟังสอบก็จงยึดมั่นทำภารกิจอิบาดัตในตอนกลางคืน ว่อิลารับบิคะฟะรับแล้วก็จงสวงหาวามโปรดปรานนอัลลอฮ์ س ب, ب ن ا س ه ن ه และ ا ل ى นี่เป็นการฝึกนะครับของ Allah ให้กับท่านนบีสุลต่าละฮ์อะลัยฮุสเซลลัมยังไม่จบนะครับว่ากุริสมารับบิคะวะเตบตัลอิเลหิเตบตีลาจงรำลึกถึงพระนามของอัลลอฮ์ س ب ح ละ ت, ت, ت, ل ت, ت, م م ت ع ل ى ในการขอดุอา์ในการอะไรก็ดีนะครับซึ่ง อันนี้ก็มีกระบวนการมีสุนนะของท่านนาบีที่ชัดเจนมากตอนไหนบ้างครับที่เป็นสุนนะให้การซิกเกตต่ออัลลอฮ์ที่ชัดๆก็คือกลางวันช่วงกลางวันก็คือหลังซูบอเป็นช่วงซิกเกก่อนที่ดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์จะขึ้นแล้วก็ก่อนที่หลังอาซาจนกว่าดวงอาทิตย์จะจะตกอันนี้เป็นสุนนะเลยของท่านนาบีเป็นไม่ใช่เฉพาะสุนนะเป็นคําสั่งในอัลกุรอาน เป็นคำก่ลนก่อนก่อุลู่งชมหมายถึงว่าก่อนที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นและก่อนที่ดวงอาทิตย์จะตกเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เาตลสั่งให้บ่าวของพระองค์นั้นซิกเกตต่อพระองค์ให้เยอะๆส่นนั่งของท่านนบีก็เลยให้มีอกออัศะวัมืดิกตในช่วงเช้าแล้วก็ิก็ตในช่วงในช่วงเย็นนะ Was q u r i จงรำลึกถึงพระนามของอัลลอฮฺวาตาบัตเลีไลฮิตะบีลาและจงตัดขาดหมายถึงว่าตัดขาดเพื่อพระองค์ตัดขาดเพื่อการอิบา ด, ดต่อพระองค์คําว่าตัดขาดต่ออิบา ด, ดต่อพระองค์ตรงนี้เนี่ยอุลามะมีการอธิบายนะครับว่าหมายถึงให้ทําตลอดไม่ได้บอกว่าให้ทิ้งดุน y าซึ่งถ้าเราบอกว่าให้ทิ้งให้ทิ้งดุน y าเลย Ta haiham tak ibadat yang diaun mencapaikan dengan ayat kau nanti. Tiada Allah taala bahwa Inna la kafina hari sabhanawillah kelang wan haih tangan kelang kian haiham ibadat to Allah subhanahu wa taala. Tiada Allah taala bahwa watbat dan ilahe tabtilla ni. Kandungan yang mungkin yang kita akan menggabungkan antara ayat yang pertama dengan ayat ini adalah al-istigaludda'ib ibadatillah. หรืออิสติกละการทำอย่างต่อเนื่องแม้กระทั่งกลางวันเองเวลาทีนะ่เราว่างเว้นจากภารกิจเราก็สามารถที่จะ z ิ k i r ต่อ Allah ได้เราก็จะสามารถที่จะอิบาดาตต่อ Allah ได้คือไม่ตัดขาดแม้กระทั่งในช่วงเวลาทํางานถามว่าถ้าเราจะ z ิ k i r ต่อ Allah ตอนตอนที่เราทํางานเราทําได้หรือเปล่า มีงานอะไรบ้างที่ไม่สามารถจะสิกเก็ตต่อ Allah ตอนทํางานไม่มีช่วงเลยไม่มีเวลาเลยที่จะสิกเก็ตต่อ Allah ตอนทํางานมีงานอะไรบ้างต้องบอกสิงานงานที่พวกเราทํากันเนี่ยไม่มีเวลาที่จะสิกเก็ตต่อ Allah งานอะพวกเราทําอะไรบ้างถ้าจะมีก็คงประมาณงานอะไรอะ่ะงานอะไรที่ที่หยุดพูดไม่ได้แค่นั้นเอง ไองานที่หยุดพูดไม่ได้เท่านั้นแหละที่จะซิกเกตต่อ Allah ไม่ได้งานอืน่นซิกเกตต่อ Allah ได้หมดโดยเฉพาะงานที่ทำเงียบๆนะงานที่ทำเงียบๆทำอะไรงานงานบัญชีงา น, นานคุม น, นั่นคุมไนี่นักคุมไปบลางๆอัสสลามุอลัยฮ์วะทูบิสุบฮานอัลลอฮฺอัลฮัมดุลิลละทำได้ไหมสังเกตดูคนอาหรัลบเวลาไปไหนมาไหนเขาจะมีเหมือนลูกตั๊สเบ ถึงแม้ว่ามันไม่ได้มีซุนหนให้เราถือลูกแต่สุดท้แต่จะบอกว่าคนอาหรับนี่เขาจะติดปากเรื่องซิกเก็ตเขาจะติดปากเรื่องการการซิกเก็ r. ตตลอดนี่เขาจะติดปากเขาเลยอัลฮัมดุลิลละสุบฮานัลลอฮ์นี่เป็นคําที่สามารถจะพูดได้ตลอดทั้งวันผมชอบมากใครที่เคยไปมักกะฮ์ไป ม, มัลติน่าไหนก็จะจะเห็นนะพวกพ่อค้าที่อยู่ริมมัสยิดฮารอมอะไรพวกเนี้ยขายไปด้วยมีอัลกุรอานด้วย ขายของแต่อ่านอัลกุรอานนะพวกเราขายของทำอะไรอ่นการ์ตูน <c oughs> การ์ตูนขายวอรร็อ ว, วาวานการ์ตูนขายวารอรรอเห็นไหมครับมันสามารถที่จะรวมได้ระหว่างอายัดนี้วัตาบตัตเตอิไลฮิแตบที่ละจุดประสงค์ก็คือไม่ให้หัวใจของเรานั้นเหมือนกับว่าแห้งเหือดไปจากการที่เราสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยง ก็อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จะหลอกเวลาไม่ว่ า, าจะทำอะไรก็ตามนะครับอันนี้คือวัตบรรลัยนตะี t t ่แหละเขาบอกว่าตรวีดุนนักซ si ีนะครับการที่จะทำให้หัวใจของเราอิบาดต่อัลลอฮฺเราต่างานี่ต้องฝึกมันเหมือนกีฬากีฬาเนี่ยพวกเราชอบกีฬา ข, ขี่จักรยานหรือวิง่งหรือทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ฝึกมีนทาไม่ได้หรอกครับ อยู่ดีๆเราจะไปวิ่งรอบสนามให้ได้สักหนึ่งชั่วโมงนี่ถ้าไม่ฝึกกีฬาเล็กกีลาน่าจำได้ไหมไม่ได้นะพวกชอบเล่นเวทใครที่ไม่เคยเล่นกีฬาอย่างผมเนี่ยก็คือเวลาจะออกกําลังสักทีนี่เหนื่อยมากแล้วขี้เกียจมากขี้เกียจไหมกว่าจะลุกขึ้นมาไปไปไปวิ่งไปเดินเนไปขยับแข่งขยับขาก็ยังเหนื่อยเลยไม่ใช่ไม่ใช่แค่เหนื่อยนะขี้เกียจก่อนอะ่ะขี้เกียจที่จะลุกอะ่ะหัวใจก็เหมือนกัน ซิเกรตลิ้นของเราก็เหมือนกันถ้าไม่ฝึกมันมันไม่ไปอ่ะมันไม่อยอมขยับจะบอกว่าอัลตัฟิรุลลอฮ์สักคำหนึง่งมันไม่ออกมาเพราะอะไรเพราะเราไม่ฝึกนะั้นภาษาอะไรกับการละหมาหดแต่ฮจุมันต้องฝึกครับต้องมีกระบวนการฝึกยิ่งในยุคสมัยของพวกเราที่ เอาประสงหรือว่าปัจจัยของการที่จะทําให้มนุษย์นั้นหลงลืมต่อละตัลามีมากเหลือเกินยิ่งต้องมีกระบวนการช่วยต้องมีตัวช่วยต้องมีเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยปลุกเพื่อนช่วยชวนหรือมีกิจกรรมจากกิจกรรมมาสู่เราบอกสุ่เราจัดเดือนละครั้งก็ได้เอา้านะครับการละหมาดละหมาดถ้าจุดแบบมาอาหานี้ทําได้ไม่มีปัญหา เพียงแต่ว่าอย่า ก, กําหนดวันให้ชัดอถ้ากําหนดวันให้ชัดว่าเอาเฉพาะวันนี้แล้วไม่เปลี่ยนเอาเฉพาะวันนี้ตลอดอันนั้นตรงนั้นแหละที่มันจะมีปัญหานิดหนึ่งที่ไม่ควรจะทําแต่ละมาถ้าหยุดแบบอยามาอหานิธรรมได้ไม่ทำได้นัดแบบไม่ต้องอเขาเรียกว่าให้มันตรงกับวันนั้นทุกเดือนสลับไปไม่ต้องเจาะจงวันอย่าให้มันเป็นไหแค่นั้นเองอย่าให้มันเป็นการวนรอบแค่นั้นเอง อะไรเพื่อฝึกเหมือนที่เราฝึกออกไปเล่นกีฬาบางทีถ้ามีเพื่อนมันก็สนุกใช่ไหมครับเวลาที่เราออกไปออกกําลังกายถ้าออกคนเดียวมันน่าเบื่อสักพักนึงก็เหนื่อยลองฝึกแต่หัดยุดแบบหลายๆคนดูฝึกเนี้ยเพื่อฝึกเพื่อติรวิ่นะเพื่อเรียะต่อรียะต่อหัวใจของเราให้คุ้นคุ้นเคยกับการอิบตัตดัตต่ออัลลอฮฺ س ب า ا ن ه และลนะ้านโลกสมัยนี้มันเป็นอย่างนี้ ต้องช่วยกันนะครับแม้กระทั่งในเรื่องของอิบดเองเราก็ต้องช่วยเหลือกันอัลลอฮฺอักุวร์ริสฺมารับบิควะทับบัตเตลอิฮับตีลารบบุลชริกวัลมรบลาอิลฮอิลลฮใร่มลอ์ให้ทอิบดต่อ์ ب ح ا ن ه และ تعالى นี่พรค์เป็นใครพระองค์คือรบบุลเชริกเป็นพระเจ้าของทิศตะวันออก วาร บ, บุลมะกริบวารบุลมาศริดวัลมะกริบทำไมที่ Allah ะ a a l a อักขันตะวันออกกับตะวันตกนะสายตรงนี้เป็นเพราะว่า Allah Taala กำลังพูดถึงาาการกียรมลลุลไลยซึ่งมันเกี่ยวข้องกับเวล า, าเวลากลางคืนเวลากลางวันมันเกี่ยวข้องกับการขึ้นลงของดวงอาทิตย์การสิกเกตต่อ Allah เองก็เกี่ยวข้องกับเวลาซึ่งเวลาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการขึ้นลงของดวงอาทิตย์ เพราะฉะนั้นก็เลยเอาเอาเอาสิ่งที่อยู่ใกล้กับการอธิบายการสิเกตเนี่ยนะครับมารับุลมัชเรกีวลมักริบพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าแห่งทางทิศพระเจ้าพระเจ้าแห่งทิศตะวันออกและพระเจ้าแห่งทิศตะวันตกพระองค์เป็นเจ้าของพระองค์ทาให้ดวงอาทิตย์ขึ้นพระองค์ทําให้ดวงอาทิตย์ตกพระองค์ทําให้มีกลางวันพระองค์ทําให้มีกลางคืนกลางคืนเพื่ออิบาดัลสัลลอห์เพื่อพักผ่อน บางวัลเพื่อให้ทำกิจกรรมต่างๆที่มีประโยชน์นะครับทั้งเรื่องดุนยาทั้งเรื่องอัครัดพระองค์ทั้งนั้นนะครับเป็นคนกำหนดละอิลล il ัฮิลลาไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรฆ่าที่เราจะต้องอิบัดัตนอกจากพระองค์เท่านั้นฟาดดาฮิซ ah ุวะกีลดังนั้นเจ้าจงเอาพระองค์นั้นเป็นที่พึ่งวะกี้วะกี้ก็คือผู้ที่เราจะมอบหมายการทวกลต่อ a l ุ a h س ب ล นี่เป็นคําสั่งเหมือนกันการเอาอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งเนี่ยเป็นคําสั่ง น, นอกจากเราจะนะขอดุทิศต่ออัลลอฮ์แล้วต้องมีเรื่องของการนะขอดุทิศในเชิงหัวใจกิยามุลไลในเชิงของการปรับปรุงฟื้นฟูหัวใจยังต้องมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือการตะวักข์กัลอัลลอฮ์สุฮาห์อัสซัลลาฮฺและตะวักกัลเนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับคําสั่งอีกคําสั่งหนึ่งหลังจากนี้ บเมื่อเราบอกว่าเราตวกลต่ออัลลอ์แล้วสแสดงว่าต้องอดทนถ้าเราบอกว่าเราเมตมาให้กับอัลลอ์แต่เราไม่อดทนอะ่ะไม่อดทนต่อสิ่งที่พวกมุชริกินกำลังด่าว่าท่านอบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุลสัลลัมอะไรจะเกิดขึ้นสแสดงว่าตวกลไม่จริงเป็นภาพหไหมครับ ถ้าสมมติมุชริกินมาดามาว่าเราเราตอบโต้กลับท่านน บ, บีตอบโต้กลับโดยที่ไม่ได้อดทนหรือแก้แค้นอาฆาตตรงไหนละ่ะที่บอกว่าเป็นสั ญ, ญลักษณ์หรือเครื่องหมายของการตาวักันในภาันครับน้ตวักกันเนี่ยจะต้องพร้อมพร้อมกับการ อดทนนะครับการอดทนเป็นเครื่องหมายที่บอกว่าเราตกัลต่อ Allah s a t a a l าะอ و ัสด์รอัลมายูลูนวจรฮุมจรนมีลจรฮุมจรนมีลอัลจรลมีลจรฮุมนะจนีะ มาจากคำว่าหิจโรห์หิจโรห์ก็คือการที่เราปลีกออกหรือการที่เราแยกออกการที่เราทำให้แตกต่างก็ได้นะครับในภาษาไทยเขบอกว่าจงทำให้แตกต่างนะจงให้แตกต่างกับพวกเขาในพฤติกรรมต่างๆหมายความว่าอย่าเข้าพวก ถ้าพวกมุสลิกินไม่ยอมรับการดาวะเนี่ยในขณะที่เราทําหน้าที่เสร็จแล้วเจ้าทําหน้าที่ของเจ้าเสร็จแล้วแล้วพวกเขายังไม่ยอมรับโอเคจบแค่นั้นฮจุร์ฮจุรบุมปลีกตัวไปจากพวกเขาไม่ต้องสนใจว่าเขาจะว่าอะไรไม่ต้องไปอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วหลังจากนั้นฮจุรันเนี่ยจะต้องฮจุรันแจมีลาด้วยเหมือนกับซอบรัน ที่เราเรียนในสุราะ المعارج. ฟัซบรซบรันเจมีลา أَيَدْنِي ح ج ر ُ ه ُ م ْ ح َ ج ْ ا جَمِيلًا. إصبر ص ب ر ً م ي ที่เราเรียนในสุราะ ك َ ت َ ق ْ ل ا ج ر ا ج َ ي ل ا ي ع ن นีบที่รารอภัยในสุราะคือเนี่ยที่เราแยกออกไปจากเขานี่ก็คือปากของเราต้องปิด คือต้องปิดด้วยไม่ใช่ว่าพอหันหลังให้แล้วบน่บนบน่บนเาเรียกบ่นบ่นบ่นไล่หลังหรือด่าไล่หลังด่าก่อนแล้วค่อยไปอย่างนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ฮัจร ullah จะมีแหละถ้าจะไม่สนใจก็ไม่สนใจแบบแบบเงียบเงียบไม่ต้องไปว่าไม่ต้องไปอะไรที่ทำให้เป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีของเราอย่าแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีของเราให้เขาเห็น สุบฮานัลลอฮอันนี้เขาเรียกว่าเป็นตัวเลือกอตับซีเรียบอกว่าเป็นตัวเลือกคือมนุษย์เราเนี่ยมันจะมีอยู่สองกรณีเท่านั้นก็คือหนึ่งการที่เราต้องคลุกคลีกับเขาการที่เราต้องคลุกคลีกับคนอื่นสองการที่เราจะเปลี่ยตัวไปจากคนอื่นบางคนเนี่ยชอบที่จะอยู่ในสังคมกับคนมากมายใช่ไหมครับและเวลาที่เกิดปัญหาอะไรเนี่ย คำสั่งนี้มันสวยงามมากมันมีทั้งอิสบิรและมีท uh ั้งอูจูรความหมายก็คือในกรณีที่เจ้ายังจะอยู่กับพวกเขายังต้องรับฟังคำดา่าคำว่าจากพวกเขาเนี่ยก็จงใช้คำสั่งอิสบิรใช้คำสั่งให้อดทน แต่ถ้าสมมติว่าเจ้าไม่อยากจะอยู่แล้วทนไม่ไหวแล้วก็ให้ใช้คำสั่งอื่นแทนนั่นก็คือคำสั่งให้อุกจุรจงปลีกตัวแต่การปลีกตัวตรงนี้ระวังให้ดีต้องเป็นการปลีกตัวที่ฮัจร์นันจะมม่ละต้องปลีกตัวไปแบบแบบสวยงามแบบงดงามแบบสงา่างามไม่ใช่ปลีกตัวไปแบบะคนที่เอ่ออะไรเขาเรียก อคนชั่วร้ายนะคนที่อมีพฤติกรรมที่ไม่ดีนะครับวะ t h r ีวะลูกคดีบีนอูลินนามะทีว่ามหิลุมกลิ่ลจงปล่อยชั้นให้ชั้นจัดการจัดการใครอัลมุคดีบีนบรรดาพวกปฏิเสธศรัทธาอุลินนามะทีนะผูป้ปฏิเสธศรัทธาที่เป็นพวก و, ة, ไฮโซอุลินนะมะหมายถึงพวกที่มีอัตลักษณ์ ความฟุ่งเฟื่อยพวกนี้มันมองว่าพวกมุชชีริกีนหัวโจกพวกนี้มันมองว่าตัวเองเป็นพวกที่ร่ํารวยเป็นพวกที่มีทรัพย์สมบัติเยอะลาสตาลาบอกว่าปล่อยให้ฉันจัดการเองหมดและหน้าที่ของท่านอับดุมฮัมหมัดหมดแค่นี้บอกแล้วดาวะแล้วแล้วก็ไม่ยอมรับโอเคถ้าไม่ยอมรับนะเจ้าตวักกันแล้วมอบหมายให้กับฉันแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะจัดการเอง มมฮิลฮุมกาลีละปล่อยพวกเขาไปสักหน่อยสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งก็คือว่าเฉพาะในโลกดนญยานี้ซึ่งมันไม่นานไม่เกินหกสิบปีตรงนี้ก็ต้องตายละแล้วหลังจากตายก็จะต้องเจอกับอะไรเดี๋ยวเราจะอ่านในในอายัดหน้านะครับแต่พี่น้องครับผมอยากจะให้เราย้อนกลับไปทบทวนดูตั้งแต่อายัดแรกดูคำสั่งทั้งหมดในสุร์นี้มีกี่คาสั่ง มันเป็นหลักสูตรที่สวยอ่ะผมมองว่ามันเป็นหลักสูตรที่สวยเอาะสัตว์เริ่มจากคําสั่งอูบิลไลให้เกียมุลไลก่อนหลังจากนั้นมีคําสั่งให้ติร์ตีลุคุรอันให้อ่านอัลกุรอานหลังจากนั้นมีคําสั่งให้อุสกริสมารบบิกะระลึกถึงอัลลอฮ์หลังจากนั้นมีคําสั่งให้ บาตร์ทัลอิเลหตัดสีละหลังจากนั้นมีคาสั่งให้ฟัดทักิฟุวักีละสุดท้ายวาสบิรให้อดทนแล้วก็วะจุรแล้วก็วะดัรนีวะมหิลกุมเนี่ยให้เราเอาคาสั่งพวกนี้มาเรียงลาดับดูแล้วเราก็จะเห็นภาพว่านี่แหละคือสิ่งที่เราต้องทาตามเหมือนกับที่ท่านนบีสลัลลอฮอวซัลลัม ได้รับคำสั่งจากอัลลอฮฺสุบฮานตะละให้ลองกลับไปทบทวนดูนะครับส่วนเรื่องเกียร์มลเนี่ยผมอยากจะให้พวกเราได้ลองกลับไปหาหนังสือเล่มนี้นะครับมันสวยงามมากบอกวิธีการวิธีการเตรียมตัวจะทํายังไงให้เราลึกขึ้นมากลางคืนต้องเตรียมตัวตั้งแต่กลางวันนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับหลักสูตรนี้อิชอฺละนะครับถ้ามีโอกาสเราจะได้ศึกษาเพิ่มเติมวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับอัลลอฮฺอัลลอฮฺมูซลลัลลอฮฺนบีอฺอัลกุรอห์มห์ดินฺอัลลอฮีอัล